การปไปเดบระหลวงผมเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะฮะแต่ครั้งที่สีนี่ยาวหน่อยครั้งแรกก็ได้ปฏิบัติกับหลวงหลวงพ่ออาจารย์หลวงพ่อที่นี่แหละไม่รู้เรื่องอะไ ร, ะ ร, แ, รแล้วครับเพราะเป็นครั้งแรกเราไม่เคยรู้จักว่าการยกไม้ยกมือเนี่ยมันเป็นอะไรอสําหรับชื่อผมไม่ต้องบอกนะครับฮัลโหลสาหรับชื่อผมไม่ต้องบอกนะครับอแต่ที่ทางที่ทราบ ม, มาบ้านสติมาทั้งที่เรียกผมว่าลุงเบน รู้สึกตัวนะฮะนี่ขอบคุณมากที่ท่างเชื่อให้รู้สึกตัวนะตารลือกเจอจริงๆได้เนี่ผมกด็ดีมากตัดกล้องคงไม่อยากให้รายงานถ้าหลวงพอ่อครับสรุปผลการปฏิบัติครั้งนี้นะครับผมจะขอแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนนามรูปหรือกายร่างกายผมได้เต็มๆ เ, เพราะว่าสุขภาพดีขึ้นหลังจากอหลวงพ่อพาปฏิบัติ ออกกำลังกายทุกเช้าทุกเช้านี่จิตใจปลอดโปร่งสุขภาพแข็งแรงเดินเหินแม่อายุจะมากแล้วก็เดินยงังสะดวกสบายอยู่ครับก็ก็อันนี้ที่ผมได้จัดจากก็คื อ, อร่างกายไม่เพียงแต่ร่างกายท า, ท, า ท, า ท, าทางทางทางธรรมก็ได้ด้วยคือมีสติมากกว่ากับกาการปฏิบัติโดยตรงหลังทานข้าวอะไรแล้วได้ร่างกาย และอย่างก็ได้สติมากจากการสวดมนต์นะนี่ผมได้ได้มากๆแต่ได้สุดคือการออกกำลังกายตอนเช้าส่วนทางมาทำทางทางมันทานนั้นนะยังมีจีวอน <c oughs> นิวอนเนี่ยตัวที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดก็คือการง่วงแต่ตอนหลังตัวฟุ้งเนี่ยจะมาทับถมเสมอครับ ผมก็รูร้ว่ามันไม่ดีเพราะหลวงพ่ออุปมาไว้ว่าเหมือนเอาขี้มาทับกันว่าไงครับฮะว่าเพราะว่ามันไม่หายไอ้ไอ้ตัวมุงม่วงมันก็เหมือนขี้เป็ดเนี่ยไอ้ไอ้ตัวไอ้ไอ้เพอฟุ้งเนี่ยฮะมันก็เหมือนขี้ไก่เก่าขี้ไก่มาทับขี้เป็ดมันเป็นขี้กองกองใหญ่กว่าเก่าก็ผมก็เลยไม่ไม่ใช้ฮะไม่ได้ใช้ต่อหลังก็พยายามหาเทคนิคต่างๆได้รับจากอคุณเล็กมั่งคุณ อยาได้ทั้งหมดเนี่ยครับบอกผมว่าจะทํำยังไงคือทําให้รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ง่วงมันก็หายเองผมก็พยายามทําอยู่แต่พยายามทำทุกครั้งมันก็จะมันก็จะวิ่งหนีเข้าสู่ไอ้ไอ้ฟุ้งนฮะจากง่วงไม่มีแล้วก็เป็นฟุ้งมันก็เป็นสองกองอยู่ดีครับยกยกตัวอย่างการฟุ้งเนะฮะผมก็ขอยกตัวตัวอย่างเดียว ฟุ้งยังไงฟุ้งไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนะี่ยไม่ไม่ใช่ทั่วแต่ฝันไปถึงศรีปานะ่าเนอะศรีปา่าจะเขียนไว้ว่าทอร์เนีย น, นี่เป็นพยานนะเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเนะเราผิดท่านประหารเราชอบเราบผิดท่านมาล้างดาบนี้ขึ้นสนองนะแ ต, ะแต่แต่ผมฟุ้งต่อไปอีกว่าศาลาไปฏิบัติธรรมนี้เป็นพยาน เราก็สิทธิ์มีอาจารย์คือหลวงพ่อมหาดิเลกเนี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เรากินข้าวมาก <Yeah. S 2> เราหลับเราไม่ว่า <laughs> แต่วันนี้เรากินข้าวน้อยทําไมหลับจึงมีครับเนี้ <laughs> มันฟุ้งไปงั้นนะครับ mm hmm. อุปสรรคแล้ว อ, อีกตัวนึงก็คื อ, ค, อคือข้าวฮะทานข้าวมากๆซึ <laughs> ่หลวงพ่อบอกว่าบอกทุกวันเลยว่าทานข้าวอย่างเมื่อกี้ท่านก็หลวงพ่อก็พูดว่ามันเป็นอุปสรรค <laughs> ทานแต่น้อยพอมีกําลังเดินเนี้ย นี่อยู่วันหนึ่งอ่ะไม่ทราบามีอาหารจานหนึ่งที่ผมชอบถ้าเป็นที่บ้านผมง็ทานสองจานนะแต่เมื่อนึกถึงหลวงพ่อก็ผมแก้งเมินนะครับคร<จ>ับผมแก้งเมินแล้วก็พ่อเดินไปเอ้าเอาสันหน่อยกลับมาตักจนไ ด, ไ, ด ไ, ดได้ได้ได้ได้ถั่วมาสี่ชิ้นแล้วก็ผสมกับ น, น้ำเพื่อจะไม่ไดไ้ได้ให้รถเก่ามันมันติด น, นะครับก <c oughs> ็บ ค, คืออุปสรรคเรื่องอื่นๆผมพยายาม พยายามที่อ่อนได้อกอย่างใเรื่องร่างกายนะตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาไปหวีผมอาบน้ําล้างหน้าหรือว่าแปรงฟันเนี่ยผมรู้สึกเบื่อในผมของผมเพราะบางทีมันผมมันมั น, ม, นมันไม่เรียบร้อยมันเนี่ยผมว่าอยากจะโกนหัวมาหลวงพ่อครับ <c oughs> ครับครับแล้วแล้วไอไอเลอกฟันเหมือนกันนะ่ะเวลาทานข้าวทุกครั้งเดี๋ยวต้องลาคาญกับไอไอเศษอาหารติดเหงือกติดอะไรนะครับ ก็เลยคิดเงยทำคืแกอยากไม่อยากจะทานข้าวครับหลวงพ่อพระมันไปติดฟันรูกสึกเบื่อเป็นอย่างนั้นเิงครับส่วนการปฏิบัติธรรมทั้งเจ็ดวันที่ผ่านมาผมพยายามยึดหลักสติปัฏฐานสีที่หลวงพ่อแนะนำไว้แล้วก็ได้ยึดหลักอื่นๆที่ทั้งอาจารย์ประสานอาจารย์ประสานได้แนะนำไว้เช่นปิดวาจาหรือกายตื่นรู้จานองนี้นะครับว่ยึดเป็นหลักประจาอยู่เสมอ ระหว่างช่วงเดินเนี่ยเรื่องสติประฐานสี่ผมก็ยึดกายาที่หลวงพ่อแนะนําเพราะมันเป็นของหยาบที่จะเห็นง่ายกว่าดูลมหายใจหรือดูอารมณ์ อ, อื่นๆเนี่ยแต่พุทธน้ำก็มารบกวนด้วยอารมณ์ทำอารมณ์อย่างง่วงหรือไอ้ฝุ่งซ่านที่ว่าเนี่ยครับก็ยังก็ยังยั ง, ย, งยังแก้ไม่หายครับาการเดินเนี่ยจะเห็นการาเปลี่ยนแปลงอาการของเพเวทนา หนักเบาสุขสบายเห็นง่ายกว่าการ น, นั่งครับระหว่างยกเท้าไปก็เห็นอยู่ไอ้สีสีดำสีเทาอะไรสีดำสีขาวเห็นง่ายหน่อยครับแต่สีเทาเห็นยากแล้วก็เส้นระหว่างสีเทาแทบไม่เห็นเลยครับจะให้เห็นก็ต้องเดินช้ามากเหมือนเหมือนเดินเป็นคนไม่ปกติถ้าไปเดินที่บ้านแล้วนกกขว่าผมเพี้ยนแน่รับครับก็ <laughs> แต่ถ้าเดินช้าก็จะง่วงก็ง่วงแล้วก็ ปัญหาก็ตัวฟุงจะมาแก้ทันทีทั้งที่ผมบอกว่าอย่ามากุยุ่งก็มันก็มาอยู่ครับฟงนะเถิดเดินถอยหลังถ้ายหลังก็ก็ ก, ก็ก็ดีครับแต่ก็ไม่ไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่เห็นเทาเห็นแต่ขาวกับดำํำกับเทาไม่เห็นไม่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของขาเนี่ยฮะแล้วแต่การนั่งนี่ไอไอเทานี่ไม่เห็นเลยครับเห็นแต่เห็นแต่แตไอตัวหนักที่ขอโทษที่ก้นกั ด, กดบัตอา ถ้ากับแผนพื้นนะครับครับถ้าถ้าถ้าถ้าเทาระหว่างเปลี่ยนอเรียบทนี้ได้อยู่ครับส่วนมากผมจะแช่นานเกินไปอาจจะเป็นอุปสรรคครั บ, รบก่อนจะจบก็ขอฝากบทของท่านอาจารย์วศินตเตือนอพวกนักปฏิบัตธรรมไว้ว่าทางหลวงมารล่อให้ทุกทนชีวิตไหวเวียนวนรกร้อน ทางรอดรอดด้วยกระมวลทำคงมั่นทมเหยสลัดกิเลสซ้อนซ้อนห่างพน้นทุกข์ระทมขอจเจริญในธรรมทุกท่านครับ